ป็นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพยโยคาวยจรทั้งหลายสํารับวันนี้ก็มาปรารกกันเรื่องอาหารเรปริโกได้สัญญาคำว่าอาหารเรปริโกได้สัญญานี้แปลว่าเราพิจ า, ารณาหันมาเป็นของปฏิโก สำหรับพระกรรมฐานกองนมีโอสมเด็จพจนสีสอนไว้สําหรับบุคคลผู้มีจริตเป็นพุท ธ, ธจริตก็คือเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับสรงสอนทาสีโนปสัสมาโนสติกรรมฐานมารณาโ น, นสติกรรมฐานเพราะว่าในบุคคลผู้มีความฉลาดนี้โอสมเด็จพจนสีให้กรรมฐานไว้สามอย่าง เพื่อหนึ่งมรณาโนสติกรรมฐานสองอรหารตปฏิโกสัญญาสามเจตุธาสังฆ์สี่สี่อุปสมานุสติกรรมฐาน 4. ี่อย่างดดวยกันสำหรับคนฉลาดกรรมฐานสี่อย่างนี้คนโง่ไม่เกี่ยวราะว่าท่านในตอนต้นโง่แล้วต่อมาฉลาดแล้วใช้ได้ ถ้ายังมีความฉลาดไม่พอห้ามใช้ที่ห้ามในใครห้ามอาตมาห้ามเองเพราะพุทธเจ้ายังไม่ห้ามเพราะพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่ว่าไม่ทรงประทานให้ทั <c oughs> ้งนี้พรา อ, อะไรเพราะถ้าว่าคนโง่ไปใช้ข้าวมองไม่เห็นมอมองไม่เห็นก็จะเกิดอาการกลุ้มกลุ้มแล้วดีไม่ดีก็จะไปโกรธพระพุทธเจา้า ว่าของดีแท้ๆ ท, ทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายางกล่าวว่าเป็นของไม่ดีในที่สุดก็จะเลยนึกด่าพระพุทธเจ้า้นมามันก็จะซวยกันใหญ่เป็นอันมาองสมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงประทานให้ก็อย่าเพิ่งใช้ถ้ายังคิดว่างโง่อยู่แต่ก็แปลกนะถ้าคนใดมีความรู้สึกตัวว่างโง่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบคุคคลนั้นฉลาดแล้ว แต่คนใดมีความทะนงตนว่าฉลาดอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจา้าสมองโง่ใหญ่เป็นบรมงโอก็ไม่ว่าพระเทวทัตท่านเป็นผู้ทรงฌานโล ก, กีแต่ว่าจะไปปกครองพระอรหันต์เป็นอันาที่เป็นนั้นมารู้กันได้ว่าพระอรหันต์คือหรือว่าพระอริยเจ้า ก, ก็ดีพระผู้ทรงฌานก็ดี ไปอยู่ในในที่ไหนก็ดีถ้าหากว่าไปอยู่กับสาธิตเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสรพระคนนี้จะถูกรพระคนนั้นเฉิดออกจากสถานที่เกลียดเขาเกลียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขัดคอเขาความจริงถ้าไม่ได้ไปเขาไม่เข้าไปขัดคอด้วยความจริงใจแต่ว่าปฏิบัติทางเขาแน่นันท่านนั่นแหละ เข้าไปขัดคอเขาคือมีปฏิปทาไม่เหมือนกันเพราะพระผู้ทรงฌานยังมีฌานทรงอยู่คนดีเมื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคนดีพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่สะสมในทรัพย์สินเป็นนักเสียสละเป็นนักเกื้อกูลแก่ให้แก่สังคมแต่สำหรับท่านที่มีความนิยมในทรัพย์สินคือเป็นชาพวกโลกีวิสัย กำลังใจยังสั่งสมอยู่ก็เลยไม่ชอบใจท่านผนูนี้เห็นว่าเป็นการทำลายความดีของตนนี่พระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพล <c oughs> โดนพระผู้นี้เล่งานปนปีมันนับไป่ทนไม่ว่าที่ไหนมีที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าท่านจะของถิ่นผู้นั้นท่านจะมีใจเป็นธรรม ถ้ามีใจเป็นธรรมท่านจะเห็นด้วยแกการกระทำของพระอริยเจ้าทุกประการที่พูดมานีไม่ได้บอกว่าอรตมาเป็นพระอริยนะเท่าที่เห็นมาบางท่านมีอุปนิสัยคล้ายพระอริยเจ้าท่านจะเป็นแล้วไม่เป็นก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สัง่งไม่สมไม่กอบไม่โกยได้ถ้าก็ได้ลับสการะมาเท่าไรก็แจกจ่ายไปเท่านั้นเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ ทำให้เป็นประโยชน์แก่สังคมสมาคมแต่ว่าคนที่รับนั่นแหละดีไม่ดีก็ระดมคำแช่งคำด่ากั น, นิทนทาสันเสริญดีไม่ดีก็จะไล่ไปจากที่อันนี้มีเยอะทุกสถานที่แม้จะครปปูบาศรีวิชัยท่านจะเป็นอะไรอาตา ม, มาก็ไม่ทราบแต่ว่าจริยาของท่านน่ารักคล้ายพระ อ, อริยเจ้านี่ไม่ได้พยากรณ์ฟังให้ดีว่าคล้ายคล้ายกันมีนักเป็นนักเสียสละ ในหลวงปู่ชุ่มบายสาธีกก่กก็ดีเป็นนักเสียสละสร้างเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ากี่สิบแพงอย่างนี้ท่านนั่งหลายเรานั้นก็โดนดีจากพวกเอาทำอยู่ตลอดเวลาแพราว่าตัวท่านเองท่านก็ยิ้มเสมอไม่กันใครจะด่าจะว่าจะนินทาท่านก็ยิ้มท่านก็มีความสุขใจแด้คนที่นินทาว่าร้ายเกิดความทุกข์ ถึงกับความมีบบัดได้ก็มากมายมันเป็นอนว่าผลแห่งอธรรมย่อมทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็มาพูดกันจะพูดเรื่องอาหาเรปฏิโกฏิสัญญาจะไปกันยังไงกันซะก็ไม่รู้ได้พูดให้ฟังเป็นอนุว่าธรรมะสี่อย่างในสมเด็จพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาด ถาว่าใครยังคิดไม่ออกก็จงอย่าเอาไปใช้นะมันจะหนักใจปเปล่าๆถ้าความนิยมเกิดขึ้นมามารายเห็นด้วยแล้วก็พาให้ทราบถึงว่าท่านเกือบจะเข้าพรนิธานอยู่แล้วเป็นัันว่าในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรทิพยแก้วให้พิจารณาแบบนี้คือว่าเวลาที่เห็นอาหารเข้าเมื่อใครก็นาอาหารมาให้คนดี เมืเราจะปรุงบริโภค ก, กดีองค์สมเด็จพระจินสีทรงดัดว่าจงยาติดในรถของอาหารจงยาติดในกลิ่นของอาหารจงยาติดในสีของอาหารว่ารถก็อาหารนดีรถเลิศเป็นที่ชอบใจอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วบริโภคอาหารไม่ได้ยานนี้เขาจะมาติดในรถอาหาร บางรายก็ติดในกลิ่นของอาหารอาหารประเภทนั้นมีรสเหมอกันแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันต้องเติมน้นนิดต้งเติมนี่หน่อยให้กลิ่นจะนั้นมันมีจริงจะกินได้ <c oughs> บางท่านรสดีแล้วกลิ่นดีแล้วแต่สีมันไม่สวยจะต้องปรุงสีก็อาหารให้เป็นประเภทนี้จริงจะกินได้รวมความแล้ว เป็นอันว่าคนประเภทนั้นไม่รู้เรื่องราวตามความเป็นจริงเพราะว่าอาหารจะมีรสดีก็าตามจะมีสีดีก็าตามจะมีกลิ่นดีก็าตามเรากินเข้าไปเท่าไรไมันก็แก่ทุกวันไม่มีอาหารประเภทใดที่ช่วยช่วยบุคคลไม่กลายเป็นคนแก่ไม่มียิ่งกินเท่าไรก็ยิ่งแก่ยิ่งเลือกอาหารมาเท่าไรก็ยิ่งแก่เร็วเท่านั้น แกเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สบายถ้าเห็นอาหารมีกลิ่นมีสีมีรสเป็นที่ไม่ชอบใจอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจเมื่อเกิดอาการงาุ่นงานเมื่อความมุ่นงันความไม่สบายใจเกิดขึ้นร่างกายมันก็สุดสูมเพราะความไม่พอใจมันเป็นไฟเผาแผลน้ำที่กล่าวมาแล้วในพรหมวิหารสี่ ต้องมีสิมันสังหารตัวเองพระองค์สมเด็จพระสัมม า, ส, าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาหารทุกประเภทไมจะเป็นอาหารพิเศษในเมืองมนุษย์แต่ใดก็ตามหรือว่าจะเป็นอาหารทิพย์ก็ตามกินแล้วก็แก่เหมือนกันกินแล้วร่างกายมันก็มีโรคเหมือนกันกินแล้วมันก็ยังป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันก็ตายเหมือนกัน ในเมื่อสภาว่าของอาหารมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปนั่ ง, ลงหลงไหลใฝ่ฝันในรถอาหารเพื่อประโยชน์อะไรนี่สำหรับอาหารเลยปฏิโกรย์สัญญานี้ในตอนต้นอันสอนบอกว่าจงอย่าถือในรสจงคืออย่าถือในสีจงแต่ถือในกลิ่นเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นเพราะร่างกายมันต้องการอาหาร <c oughs> องค์สำเร็จพระพิธรมานทรงตัดว่าสเพสตาอาหารธิกาว่าร่างกายเขาสัตว์ทั้งหมดต้องมันอยู่ได้ด้วยได้ก็อาหารอยู่ได้ด้วยก็อาหารถ้าขาดอาหารเสร็แล้วมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เทีมที่มันยังทรงตัวอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายถ้าไม่มีอาหารเปินเปิเป่เข้าไปไขมันมันก็มีทุกขเวทนา คือร่างกายธาตุสี่ไม่สมบูรณ์กันถ้าไม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็ไอ้ธาตุดินมันก็หย่อนถ้าไม่กินน้ําธาตุน้ํามันก็หย่อนไออาหารมันก็มีธาตุน้ำแต่เราพี่บทั้งธาตุน้ําและธาตุดินต้องเป็นไปเข้าไปธ <c oughs> าตุลมลมไม่ใจจัดว่าเป็นผัสสะอาหารถ้าไม่มีถ้าขัดตกบกพร่องก็ตายไปเลยแต่ว่าย่อาหย่อนร่างก า, กายก็ไม่เป็นเรื่องเราต้องการอาหารเหมือนกัน ผัดสาหารคืออารมณ์ที่กระทบอากาศถ้ามันไม่มีมันก็เจียงมันไปมันโลสัญเจตนาหารอารมณ์ของใจถ้ากระทบกระทั่งกับอาหารที่มั น, นแถลงคือสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอมันมันก็มันก็พังไหมือนกันความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์นี่เราจะปรับปรุงมันโลสัญเจตนาหารก็ปรับปรุงที่ใจของเรา ใจของเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นจากโลกก็ทำไม่ได้มีลาบลาบมีแล้วลาบก็เสื่อมได้ยศมันแล้วยศก็เสื่อมมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกเมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นก็ทำใจวางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ามันโน้นเจตนาหาันั้นก็สมบูรณ์ใจสบาย ไม่ว่ากันถึงกวลิงเวลาอาหารอาหารคือคําข้าวคืออาหารที่บริโภคเข้าไป <c oughs> จะเป็นข้าวเป็นกาแฟเป็นขนมปังเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็ช่างเถอะท่าเรียกว่าอาหารที่กินเข้าไปเรียกว่า ก, กวาวลิงเวลาอาหารอาหารส่วนนี้มีความสําคัญองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นของปฏิกรูจึงจะหลงในมันเพราะอะไรพืชพันธุ์ทั้งหมด ที่เรากินเข้าไปมีผักมีข้าวมีหญ้าเมียแล้วก็ตามทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความสุขปรกเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ให้กับพืชผักพืชพันธุ์ยาอาหารทั้งหลายไม่ใช่ขอสะอาดมันไม่ขอสขปรกเอากันเห็นง่ายๆถ้าพืชผักต้นใดหรืชนิดใดก็ตามอยู่ใกล้สวม ถ้าเป็นโสนธรรมดาที่รากมันจะอย่างลงมาในโซนได้พืชพันธัญญาหารต้นนั้นจะมีความงอกงามน้ำอุจาระปัสสาวะที่เอาถ่ายลงไปในส้วมมันจะอาด้วมันสุกปรกก็จะเห็นว่าสุกประเกพวกที่ปลูกสวนผักทั้งหลายเขาเก็บอุจาระไว้เป็นประโยชน์อุจาระปัสสาวะนี่เขาเก็บไว้ให้มันเป็นประโยชน์คือเขาไปละลายน้ําแล้วก็ใส่พืชพันธัญญาหาร ในพืชพันธุ์นั้นหลายเหล่านั้นมันก็ปรากฏว่ามีความงอกงามขึ้นแม้แต่ต้นข้าวที่เราบริโภคเวลานี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยเนื <c> ้อ <oughs> ปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือปุ๋ยคอกก็ได้แก่อุจาระของวัวหรอกวายสิ่งนั้นหลายเหล่านี้มันสอาจจะมันสปกปรกในเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสปกปรกและตัวมันเองม่จะสะอาดแ้วสกปรก ในเมื่อที่เวลาเราจะมาปรุงอาหารเพเครื่องบริโภคเราก็ต้องมาชำระล้ลางเสียก่อนถ้าไม่ชำระล้ลางมาซะถ้ามาสะอาด จ, จริงๆเราก็ไม่ต้องชำระไม่ต้องล้างมันบางรายเราถึงได้แช่ด่างทับทิมก็มีเพื่อเป็นการทำลายโรคทำลายเหตุของความสกปรกที่มันจะทำให้เกิดโรคกับร่างกายนี่พูดใงพื้นฐานเดิม มาเถึงสัตว์ทั้งหลายเลือดสัตว์ที่เราต้องการบริโภคสัตว์ทุกตัวมันสะอาดที่มันสปกปบกมันมีทั้งน้าเลือดน้ำเหลือง น, น, น้าหนองมีวิจาระประสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพิจารณาในในร่างกายคือกายคตา น, านุสติกรรมฐานหรือว่าพิจารณาในธาตุสี่ยิ่งว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีธาตุสี่เหมือนเรา มีอวัยวะเหมือนเรามีอุจจารปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเหมือนเราในเมื่อเราเคยพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายของเราสปกปรกนี่ร่างกายของสัตว์สะอาดหรือสปกปรกคนและสัตว์ที่บริโภคอาหารอาหารมันเป็นของสปกปรกและร่างกายของคนนั้นสร้างขึ้นมาได้ดด้วยของสกปรกเมื่อสร้างขึ้นมาจะของสปกปรกร่างกายมันสะอาดหรือสปกปรกหมด เป็นอนว่าร่างกายทั้าร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรสะอาดเพราะมันสร้างมาด้วความสกปรกนิสัตว์ทุบะเพศก็เหมือนกันที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้เพราะเอาศสยเสียงสกปรกเป็นอาหารของมัน <c oughs> ในเมื่อมันได้เสียงสกปรกเป็นอาหารของมันแล้วมันจะสะอาดด้วยสกปรกมันก็สกปรกบางท่านจะแก้บอกว่ามันก็มาหมดกันสกปรกก็อี ต, ตอนที่มาตั้งไฟทําศุกแล้ว ตอนนี้ยิ่งพิจารณาง่ายว่ามันสกรปรกใหญ่ <c oughs> เพราะเราขอสกรปรกหลายประการเข้ามารวมกันการปรุงอาหารแต่และคราวยังใช้ของหลายอย่างทั้งเนื้อและพืชพันธุ์พืชผักทั้งหลายและเครื่องปรุงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่เกิดมาจากความสกรปรกเหมือนกันหมด <c oughs> ในเมื่อต่างฝ่ายต่างสปกปรกมารวมเข้าก็เรียกว่าประมวลการสกปรกเขไว้เมื่อประมวลการสกปรกเขไว้แล้วเอาไฟไปตั้งไฟบอกว่าทำลายล้างความสปกปรกนั่นมาความจริงไม่ใช่ความร้อนของไฟอาจจะทำลายโรคบางอย่างที่มีอยู่ในอาหารนั่นคือเชื้อโรคบางอย่างให้สลายตัวไปได้แต่ว่าความสกปรกมันเพิ่มขึ้น อย่างพืชผักทั้งหลายนี่มันมีสีเขียวยังสดใสหยิบมาแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนมือมากนะักจะมีก็เพียงฝุ่นละอองที่ติดที่ติดมันมาเพื่อนมือเราแต่ถ้าพอไปกรอบข้าไปอาหารข้าโอ้โหดูไม่ได้เลยมันมีกลิ่นข้าวกลิ่นอะไรตัวไรทุกอย่างเกลือกลั้งกันไปหมดติดมือเห็นชัดถ้ามือไปแตะมัน ถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดจริงๆเราก็เห็นว่าจะเวลาบริโภคอาหารแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือแต่สอาหารที่เราเห็นว่าอร่อยจริงๆนั่นแหละดีจริงๆพอกินอิ่มเสร็จก็เถอะวิ่งชูดไปตามๆกันที่ว่าวิ่งชูดไปตามๆกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันสกรปรก ต้องรีบเข้าห้องน้ําล้างมือล้างไ ม, ไม้ว่ากันจีปาถะไม่เหลือเื่อากันเรียบไม่มันเหลือเอาน้ําล้างไม่พอเอสบู่ฟอกเอาอะไรตัวอะไรมาฟอกปืนฟอกไม้กันเอ า, เอาแปรงเข้าไปแปรงฟันเอายาซีฟันเข้ไปทูบบนปากเอายาแก้มินปากทิสเตริงเข้าไปอมแล้วก็ บ, บ้วนถามบ้วนทําไม ก็คลายกลิ่ น, นเหม็นจากปากไอ้คลายกลิ่นเหม็นจากปากมันกินอะไรก็กลินจากอาหารที่เราชอบใจที่สุดที่เรากินมันเข้าไปเป็นอันมาได้เรื่องอทีครานี้ได้เรื่องพราอะไรได้เรื่องเพราะว่าเราล่อขอสุกับปลกเข้าไปแล้วนี่ไอ้ของสุกับปลกหลายๆอย่างเข้ามารวมกันมันก็เพิ่มความสุกับปลกไม่เห็นแล้วได้ยังว่าอาหารสุรกับปลก อย่าลืมนะว่าหาอะไรปฏิโกริสัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สําหรับคนฉลาดเท่านั้นคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้แค่งโง่จริงๆงโ ง, ง, ง่งับเหงือกแล้วก็ท่านสอนเฉพาะอานาปานุสติกรรมฐานเท่านั้นให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวไม่เคยสอนภาวนาและพิจารณามายัางไงทั้งหมดไม่มี แต่เมรนั่นองสมเด็จพระบรมสุขสุดคนประเภทดันถ้าไม่สอนอย่างอื่นเพราะท่านทราบดีว่าถึงซื้อขืนสอนแก่ไปแก่ก็กลุ่มใจดีไม่ดีแกด่าครูด้วยมันจะช่วยจะมีความชั่วมากขึ้นแต่ว่าแกมีความชั่วมากขึ้นก็จะสร้างความเล่าร้อนให้เกิดขึ้นเมื่อมีแกมีความเล่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อจะวเวลาจะตายก็มีอใบายภูมเป็นที่ไปเรื่องตายไม่ต้องพูดกัน เพอตายแล้วพูดไปคนตามฟังคนฟังตามเห็นในอยากเว้นไว้แต่ท่านที่กําลังฝึกมโนมยิทธิอยู่เวลานี้ <c oughs> แล้วก็เริ่มได้กันหลายคนแล้วเพียงแค่อบรมกันเป็สามครั้งเท่านั้นเพราะเราไม่อบรมกันทุกวันก็รู้สึกว่าไปท่องเที่ยวเห็นทุกเสิยงทุกอย่างได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเป็นความจริง ถึงแม้ว่ายังไม่มีการคล่องตัวจะไปได้เพียงค่อยเข้าชั่วเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเปอรเซนก็ยังดียังมีโอกาสสอบสวนคําสั่งและคําสารขององค์สมเด็จพระรคินสีมีคนเฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนชั้นยอดคืออารมณ์ของพระนิพพานเมื่อคนเฉลาดแต่องค์สมเด็จพระบระ ม, มโล ก, กนาดให้อารมณ์พระนิพพานเลย อย่างอาหารเรบิโกลสัญญาทาตสี่มรณาโนสติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างนี้อุปสมานุสติกรรมฐานถือพ่านิพานเป็นอารมณ์เห็นไหมล่ะถ้าไม่ได้สอนทรงเดชท่านนี้การที่พูดมานี่สําหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถึงไม่ถึงอ่ะก็อย่าเพิ่มเป็นขุมวางเถอะอย่าไปสนใจไปสนใจเฉพาะกรรมฐานกองใดกองหนึ่งมันมีตั้งสี่สิบกองในกรรมฐานสี่สิบ เลือกเอาเป็ที่พอใจที่พอที่ท่านจะแบบได้เป็นอันว่าในเมื่อเราพิจารณาเป็นอาหารเลยบริกรสัญญาในอาหารเวลาที่จะบริโภคเข้าไปก็อย่าไปติดใจคิดว่านี่มันของสกปรกเราไม่มีอารมณ์ติดในมันในเมื่อเราไม่ลมไม่ไม่มีอารมณ์ติดในมันจะทําไมเราต้องกินก็กินพยาาดภาพห้ทรงตัวเพราะยังมันยังไม่ตาย ยังไม่ถึงเวลาตายถ้าไม่ให้มันแล้วมันเกิดอาการการสับกระจายความไม่สบายกายเกิดขึ้นใจที่มันยังเกาะอยู่กับกายมันก็พลอยไม่สบายด้วยเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือถ้าเรือมันถูกซึ่งคลองคนก็ปลอยเวียนหัวไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกายปนเปลื่อมันเข้าไว้ก่อนแต่ว่าไม่ติดให้มันเราจะไม่คิดว่ามันกับเราจะอยู่คู่กันตลอดทั่วฟ้าดินสลาย มีความรู้สึกอยู่ว่ามันมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเมื่อพิจารณาอาหารเป็นขอสกปรกก็มาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเรามา่กินกขอสกปรกไปแล้วมันสร้างร่างกายของเราขึ้นร่างกายของเราจะสกปรกสะอาดก็ยัเห็นว่าร่างกายนี้เต็ ม, มไปด้วยความสกปรกให้เมื่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกเราจะพอใจมีมันต่อไปหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นของสุปรกเราไม่ต้องการฉันใดร่างกายของเรนี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาหารสุปรกเราก็ไม่ต้องการฉันนั้นถ้าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราจะทำยังไงโอโ้อันนี้ตัดง่ายเหลือเกิน <c oughs> เราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้นอกจากจะสุปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยง อะไรเพื่อเกิดขึ้นมาก็เสื่อมไปเทียนน้อยเด่นน้อยสุดท่ไปในที่สุดก็เป็นหน้าตาสลายตัวถ้าจิตใจเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์นี่เราก็จยยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรถา้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสณาสอนเราแล้วถ้าเราก็มีปัญญานี่ คนนี้พอใจในกรรมฐานสี่อย่างตามที่กล่าวมาในด้านของพุท ธ, ธจริตคนประเภทนี้เป็นคนมีปัญญาก็มันนั่งพิจารณาความจริงจากร่างกายของเราว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีความสุขเท่าไรมันมีความทุกข์เท่าไร่อ า, าเฉพาะในเรื่องในร่างกายของตัวกิตภายนอกอยังไม่ต้องพูดกันกิจภายนอกที่มันทําให้ร่างกายมีความลาบากทําให้จิตใจมีความลําบากมันมากมายกายกอง เอาแต่เรื่องในตัวเราเท่านั้นเต้นขึ้นมาเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันมันมีความรู้สึกยังไงลำาคกลิ่นเหม็นจากปากหน้าตามันเกิดกลางอาการไม่พอใจอาการลําคาเกิดขึ้นมันไม่เป็นอาการของความสุขและความทุกข์เต้นขึ้นมาเชา้าปวดอุจาระปัสสวะถ้าไม่มีโ อ, อกาสไปขับถ่ายไม่มีไม่มออไม่มีโ อ, อกาสไปขับถ่าย มันต้องถูกทรมานใจมันเป็นความสุขถ้าความทุกข์ตื่นขึ้นมาเช้าถึงเวลาตอนสายได้เวลาอาหารถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารมันสุขแต่มันทุกข์ทั้งทั้งที่เราบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความเสื่อมโทนมของร่างกายกำลังไม่ดีหูไม่ดีตาไม่ดีอฟามจำก็ก็ว่นเปื่นลื่น ลอยเลื่อนไปอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์เมื่อความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ในคนอื่นติดของอยู่ในของอื่นมันเป็นที่รักแต่เราต้องพัดไา่จากของรักของชอบใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ ถ้าเราคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรามันตายจริงๆมันจะตายขึ้นมามันเป็นกายของความสุขหรือความทุกข์เมื่อขึ้นชื่อว่ามันก็เป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้ามันทุกอย่างนี้เราจะคอยใจในร่างกายเพื่อประโยชน์อใดองค์สมเด็จเจ้าบมไตรชนีทางไว้แล้วว่าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เสกิกึ้งความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายในวัดนัตายเกิดในวัดตาก นั่นก็คือทิ้งขันห้าที่อย่างเดียวคำว่าทิ้งขันห้าเ็าเรียกว่าวางจิตเป็นสังขารลบไปคายานไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่ยึดถือสุ้เสียงทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราทำจิตใจไปให้วางเฉยเป็นสังขารลบไปคาหยาน วางภาระสะั้หมดไม่กําหนดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดมันออยากจะตายก็เชิญตายอยากจะป่วยก็เชิญป่วยอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะพังก็เชิญพังแค่นี้ก็สบายอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท์กันหลายผู้รับฟังเป็นอันว่าอหาเรปฏิกรปัญญาฟังมาทั้งสมถะและภาวะวิปัสนาญาณอารมณ์จิตของท่านจะเข้าถึงระดับไหนมันเป็นเรื่องของท่าน อตาตมาก็ถือคําว่ า, า, าคาตาโรตุตธาคตาในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกฉัน้นใดอตาตมาก็เป็นในเพียงผู้บอกฉันนั้นคนที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้ก็ได้โดยสายตัวตนเองเก็นสาคัญสําหรับวันนี้หมดเวลาเสียแล้วขอลาก่อนขอความสมหวังขบันดาพัานธุพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ตั้งใจไว้เพื่อมากขนจงได้กับจิตใจของตนรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดี